เอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะรายงานป่วยขององค์หลวงตาไปจําวันวันนี้เป็นวันที่วันที่สี่พุทธศักราช 2,553 ในวันนี้เป็นวันที่สี่ธันวาคมพุทธศักราช 2,553 องค์หลวงตา อาการป่วยขององค์หลวงตาตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่อาตมาภาพได้เรียนให้พี่น้องคณะทัตยาติโจมที่ได้รับทราบเมื่อเช้าวานนี้มาถึงวันนี้อาการของหลวงตาทุกส่วนทั้งหัวใจทั้งความดันทั้งอะไรทุกอย่างโวงตาดีขึ้นตามลำดับลาดับนะ แล้วก็การขับถ่า ย, ยองลงต า, ก, ก, ตาก็ปกติมาเบาก็ปกติแต่เมื่อวานฉันได้มากจนหมอคณะหมอวิตกว่างั้นเถอ ะ, อะหมอวิตกหมอว่าจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะพึ่งให้ลงตาฉันมากนะว่างั้น เ, เ, เพราะว่าถ้าลงตาฉันมากเดี๋ยวเพราะว่าที่ ท, ที่อุดตันเข่าก่อน น, นไม่รู้จะเป็นยังไงขอให้ฉันน้อยๆไว้ก่อนว่างั้น เพราะว่าอาหารเข้าทางเส้นเลือดนี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับองค์ลุงตาแต่ละวันแต่ถ้าว่าที่เอาที่ท่านฉันนั้นคื อ, อของคล้ายๆบอกเพิ่มเติมเมืเ่นไงเด็แต่สําหรับอาหารที่เข้าทางสายยางนี่ เ, เพียงพอสําหรับองค์ลุงตาแต่ละวันเพราะนั้นอย่าพึ่งให้ลุงตาฉันฉันมาก เ, เกินไปเน้อ อันนี้ก็คือหมอหมอบอกแต่เมื่อวานเนี่ยก็ลุงตาก็ฉันได้ได้เยอะนะฉันได้เยอะทุกอย่างก็ปกติแต่ถ้าเป็นอย่างเมื่อวานหรือ ถ, ถึงมาถึงเมื่อเช้านี้ที่อาตมาภาพได้ดูเห็นแล้วก็ได้ฟังจากทุกผู้อุปถัมประทากพระอุปถัมประทากพูดให้ฟังตลอดเมื่อคืนกลางคืนก็มีพระท่านเฝ้าอยู่ตลอดนะ แต่ท่านก็ลุงตานอนไม่ค่อยหลับกลางคืนโดยมากผู้สูงอายุจะเป็นอย่างนั้นกลางคืนจะก็นอนไม่ค่อยหลับแต่เมื่อเช้านะี่ท่านลุกตอนเช้ามาท่านก็นอนหลับนะหลับตอนเช้าแล้วเขาเมื่อคืนท่านก็ลุกขึ้นมาแต่ละครั้งท่านก็ให้ธรรมะนะธรรมะแก่ลูกศิษย์ที่ที่นั่งเฝ้าที่ลูกหลานที่นั่งเฝ้าหมอเขาก็จับนาทีโดย้วยลุงตาพูดนานเท่าไหร่บา ง, ท, ง, า ท, บาง ท, าทีก็หนึนาทีบางทีก็นาทีกว่ากอางนั้น เอออันนี้ก็คือท่านลุกขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ให้ธรรมะมีแต่หลวงตามีแต่ให้ธรรมะทั้งนั้นแหละท่านไม่เคยเลยที่จะพูดเรื่องโลกวัะสงสารว่างั้นเหรเพราะใจของหลวงตาเนี่ยเป็นธรรมะเพราะฉนั้นท่านพูดขึ้นมาแต่ละคําเป็นธรรมะให้ตั้งใจนะให้ปฏิบัตินะอย่าไปหลงละเริงนะพระนะให้อยู่ในหลักธรรมวินัยนะโดยมากท่านหลวงตาท่านจะ เน้นหนักไปเน้นในลักษณะนี้ตลอดนันเพราะนั้นเมื่อคือนท่านก็ได้แนะนำหรือบอกกล่าวที่อาตมาภาพได้ทราบจากพระนะแล้วก็เมื่อเช้าพอท่านลุกขึ้นมาท่านก็พักนอนพวกคณะแพทย์พยาบาลก็ให้น้ำสารอาหารแต่น้ำเกลือไม่ให้แล้วยาปฏิชีวนะหยุดละถอดออกแล้วยังเหลือแต่สายอาหาร สารอาหารนะยังอยู่แต่เมื่อเช้านะพออาตมาภาพออกไปปินทาบาหลวงพ่อสุดใจก็บอกว่าเมื่อเช้านะั้นบอกว่ า, าได้เวลาฉันอาหารได้อย่างเงินนะแสดงว่าหลวงตาเราท่านคงจะคิดรับอาหารน้องั้นเถอะเอกได้กเห็นว่าท่านถามหาอาหารก็รีบเอาไปเข้าไปเลยหนะลวงตาได้ฉันแต่เช้านะเมื่อเช้านี่นะหลวงตาฉันอาหาร ก่อนที่พวกนะพวกเรากําลังปินทบาทลงตาฉันนันในช่วงนั้นเามือนกันนะนะนี่แหละอันนี้ก็คืออีกสักวันอีกสักวันสองวันข้างหน้านะทั้ทงทังคณะแพทย์และทั้งคณะพระอุปถัมภ์ประทากที่อยู่ใกล้ชิดเราคิดว่าลวงตาคงจะลงมาฉันที่ศาลาได้าาอันนี้แหะคือหลวงพ่อชี้แจง ประจําวันให้แก่คณะสัตยาธิโยมให้รับทราบส่วนรายละเอียดนั้นอาการเจ็บป่วยในรายละเอียดคิดว่าคณะแพทย์ก็คงจะชี้แจงให้แก่คณะสัตยาติโยมให้ให้รับทราบอีกส่วนหนึ่งแต่เมื่อวานคณะแพทย์มาทางศรีราษฎร์ทั้งศรีนครินทร์ทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุดรของเราที่เป็นเจ้าเจ้าหลักเจ้าภาพ ก็มาประชุมกันร่วมกับพระสงฆ์เมื่อวานนี้ว่าอาการลวงตาเป็นยังไงเป็นยังไงอาตมาภาพก็ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะแพทย์กับพระสงฆ์ก็พอจะรู้แนวทางการรักษาว่าลวงตาทางหมอวิต ก, กังวลอยู่อย่างหนึ่งก็กคื อ, เ, อ, อเลือดของลวงตาเนี่ย เ, เข้มข้นไม่พ อ, อ, อคล้ายๆบอกออความเข้มข้นของเลือดองลวงตาเระยังต่ำ ตามปกตินี่ก็คนเราทำป ก, ปกติคนเราอนกับประมาณ40แต่ถ้าหากว่ า, าที่พอจะอยู่ได้จริงๆก็28แถ้า25แล้วก็แปลว่าขาดขาดเช่นแดงนะแบบนันแะแต่ลงตาเนี่ยลดลงมา20า่สลดยูค่ความเข้มข้นของเลือดลงตาลดลงมา20เพราะนั้นหมอทั้งหลาย เขาก็เลยวิตกกังวลจุดนี้จุดหนึ่งถ้าหากว่านั้นก็พยายามจะให้ให้ฉีดฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดก็มีแต่ถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดานะเป็นคนธรรมดาเนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ถวายเรียกว่ามอบ้เอาเลือดเอาเอาเลือดเข้านะเอาเข้าเอาเลือดเข้าทางเส้นเลือดก็จะหายเหนื่อยแทนทีแต่นี้ลงตาที่เหนื่อยเพลียเนี่ย หมอลงมติกันว่าเพราะลวงตาเลือดของลวงตาเนี่ยอ่อนไม่ไม่เข้มแข็งเพราะยีแต่ถ้าว่าดวงตามีเม็ดเลือดขึ้น25่สิาขึ้นไปแล้วนะวงตาก็คงจะหายเหนื่อยแต่ทนี้ก็ยังมาพูดกันว่าเมื่อครั้งก่อนองดวงตาก็เป็นลักษณะอย่างนี้ท่านมืดเหนื่อยหมอก็บอกว่าน่าจะเอาเลือดถวายองลวงตา ในวันนั้นอาตมาภาพก็ได้มาร่วมฟังและก็ได้กราบเรียนอกหลงตาว่า่าวาพ่อแม่กุยจานจะรับเลือดคณะศิษย์ทั้งหลายจะรวมกันแล้วก็จะเอาเลือดถวายพ่อแม่คุยจานคผมท่านมองไม่เอาพอท่านว่าไม่เอาท่านั้นเราก็ถอยกูดเปน็นคนอาทิตย์ละทางว่างั้นเนี่คราวนั้นแต่คราวนี้แลไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปกราบเรียนนั้นอีกเหมือนกันว่างั้นะ แต่อีกสักวันหนึ่งคิดว่าถ้าเหลือบา ก, กว่าแรงจริงจริงคงจะเข้าไปกราบท่านคงจะขอท่านแต่ท่านจะพูดยังไงอันเป็นหน้าที่ของท่านแต่พวกเราที่เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ไม่มีอย่างอื่นเามือนกันแสดงความหวังดีแล้วแสดงความเคารพ ใ, ในองค์หลวงตาอย่างสุดซึงจะทํำยังไงจะให้องค์หลวงตาแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใส หายจากเหนื่อยก็เป็นหน้าที่ของสิทิ์ญาณิศิษย์ลูกหลานทั้งหลายจะต้องช่วยกันคิดเหมือนกันนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หน้าวิตกคือหมอหน่าวิตกก็คือเลือดอ่นะเลือดของลวงตาในความเข้มข้นของเลือดดวงตาน ย, ยังยังต่าต่อยู่เพียง2 0นะอันนี้แหละคือเ่ย ส, สุขภาพลวงตาแต่นี้มาพูดถึงคณะสิทธาญญาิ์่คณะสัทยาธิยอมอ่มุกพวกเราทกทุกท่านนะ ที่หลวงพ่อได้ย้ําแล้วกล่าวอีกออพวกหลวงตาท่านก็อยากจะเห็นความพร้อมเพียงสมัคคีของลูกของหลานของคณะรัตยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเพื่อถ้าจะว่าไปกับเปรียบเทียบเหมือนพ่อแม่ของเราเนี่ยพ่อแม่ของเราถ้าเห็นลูกทุกคนยิ้มแย้มแจม่มใสพร้อมเพียงสมัคคีกัน พ่อแม่ก็ดีใจไม่ใช่เหรอพวกเราท่านทั้งหลายดีใจไม่ใช่เหรอท่านลูกพร้อมเพียงสมคีกันถ้าว่าพวกเราลูก3าสี่ห้าหคนเข้ามาพร้อมกันก็ไม่ได้เข้ามาพร้อมกันกระตาเขี้ยวใส่กันกระฟุตกระฟัดใส่กันเงี้ยและก็พ่อแม่ของเราป่วยเนะี่ยท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะมีความรู้สึกอย่างไร อันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาท่านยิ่งละเอียดกว่าอนกว่านั้นท่านดูทั้งใจท่านดูทั้งกายท่านดูทุกอย่างคณศิษยานุ ศ, ศิกิริยามารยาททุกอย่างท่านลูกวงตาของเราถี่ท่วนทุกประการในที่น่าเป็นถ้าจะเป็นสมัยก่อนข้ากวาดเนี่อทิศปามโอกอาจารย์เมื่อกั้นะแบบดูแลดูดูแลลูกสอนศิษย์กับกิริยาของศิษ์ทุก ทุกมูมทุกเหล่านี่ก็หลวงตาถ้าจะว่าไปก็ยิ่งกว่านั้นเียท่านสอนถึงด้านจิตใจเพื่อความหลุดพ้นของคณะศิษยานุศิษย์ด้วยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านลูกหลานทุกคนมีอะไรก็ให้อยู่ในใจนะให้นึกพุโทโธพุธโทโธถ้าคิดอยากโมโหโกธาอิจฉาปยาบาตรคนอื่นก็ให้นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธในใจไว้นะ แล้วให้คืบบอดลงตาลงตาลงตาลงตาเออแล้วอริยสง์อริยสง์องคลงตาอริยะสง์ลงตาอริยะสง์ลงตาก็เลยเพราะพระลงตาเป็นพระอริยสงนะเออเพราะนั้นพวกเราคิดอะไรขึ้นมาที่มันไม่ดีในจิตในใจของเรามันมัวมัวหมองนะจิตใจเศร้าหมองขึ้นมาในจิตใจให้เราคิดถึงอง์ลงตาเลยอริยสงฆ์อริยสง์ลงตาอริยะสง์ลงตานะมันจะได้ดับความไม่ดีในจิตในใจของพวกเรานะ และก็วันพุ่งนี้เป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้เราก็ไม่ประสบในกองทุกหมู่เหล่าพวกเราควรจะแสดงความเคารพจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราท่านทำท่านมีคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองโครงการพระราชาดําริมีกี่อย่างพวกเรานับดูกันแล้วกันนะ น้ำท่วมที่ไหนอะไรที่ไหนพระองค์ต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่ต้องจัดการอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ล้วนแล้วจะเป็นโครงการพระราชดําริโครงการแก้มริงโครงการอะไรที่น้ําท่วมมีมากมายเพราะฉะนั้นในหลวงของเราจึงเป็นผู้มีคุณูปการบุคลาระคุณต่อประเทศชาติต่อประสบนิกรทุกหมู่ทุกเหล่านะอันนี้ก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวัน เ, เสริมพระชนพรรษาวันที่5้ธันวาคม พุทธศักราช 2,553 ทีนี้อตาตมาภาพจะเรียงลำดับให้ฟังว่าคำว่าบุพการีนี่บุพการีนี่มีมีหลายอย่างมีมีหลายอย่างแต่วันนี้อตาตมาภาพจะชี้แจงให้ฟังมีสมีสมีสสถาบันนะสถาบันบุพการีสถาบันหนึ่งก็คือพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าพระธรรมผสมพวกเราที่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้จักพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักสิ่งดีสิ่งชั่วรู้จักศีลสมาธิปัญญาเราได้มาจากใครได้มาจากพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งรู้จริงด้วยพระองค์เองก่อนแล้วพระองค์จึงประกาศพระธรรมคําคสอนออกมา เมื่อประกาศพระธรรมคำสอนออกมากันเนี่ยพวกเราก็ยอมรับว่าศีลห้าเป็นยังไงให้ทานเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไ ง, น ง, ไ ง, ญญนงจนหลวงตาได้นํามาแนะนําสั่งสอนพวกเราพวกเราก็ยอมรับท่วนหน้ากันอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือองค์หลวงตาของเรานี่แหละพ่อแม่กูบาลจารย์หลวงปู่มั่นแต่ละองค์เนี่ยเป็นผู้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา อันนี้ก็คือบุคภาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุคภาการีที่สองคือใครก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ที่ปกครองประเทศชาติมาร่มเย็นเป็นสุขมาประเทศชาติชาติไทยไม่หายสาบสูญ ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศชาติอื่นก็เพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรักษาประเทศชาติมาอันนี้ก็คือบุพภาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนอันที่สามก็คือพ่อแม่ของพวกเราบิดามารดาของพวกเรานี่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่พวกเราเราเกิดมาแต่น ก, ตก่อนก็เป็นเล็กลูกเล็กเด็กแดงแบ่เบาอ ย, อย่างั้นพวกเราเคยเห็นเด็กเราก็เคยเป็นอย่างงั้นมาก่อนเพราะนั้น ในขณะที่แบเบาะนั้นอ่ะพ่อแม่ทํำยังไงดูแลยังไงกับลูกๆของเขาเ อ, อลูกของเขาร้องไห้อย่างไงขับถ่ายยังไงช่วยตนเองไม่ได้นานเท่าไหร่นี่อันนี้ก็คือบุพการีพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะก่อนอันนี้ก็คือคือส่วนน่งต่อมาอีกทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์ทั้งหลายอย่างองค์หลวงตาเป็นบุพการี สำหรับแนะนําสั่งสอนพวกเราโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงพ่ออิฐเลยหลวงหลวงพ่อถือว่าเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นบุพการีธรรมะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนธรรมะให้แก่เรารู้จกักศีลสมาธิปัญญารู้จักการเอาตัวรอดยังไงให้รักษาวิตในอย่างไรให้รักษาศีลอย่างไรให้อยู่ในความพร้อมเพียงสามัคคีอย่างไรอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้กําเนิดให้แนวความคิด สําหรับพวกเราเพราะนั้นทั้งสี่สถาบันคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์บิดามารดาพ่อแม่ของเราและกัครูอุปชาอาจารย์ของพวกเราพวกเราในฐานะลูกหลานพวกเราจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านเรานั้นอย่างไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราเท่านั้นพวกเราจะต้องถามนะพวกเรา จะต้องมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมจริงๆถ้าผู้ปฏิบัติแล้วสามารถที่จะทําให้จิตใจบุญพ้นจากอาสวะกิเลสจริงๆนีอันนี้คือแสดงความกตัญญูตระเวทิตาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แสดงความกตัญญูต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เป็นเป็นพระศพนิกรที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศริยธรรมมีจริยธรรมจะคิด จะพูดจะทําสิ่งไหนอย่าให้เดือดร้อนตนและผู้อื่นอันนี้ก็คือเราอยู่ในแผ่นดินของประเทศของเมืองไทยอย่าให้คนอื่นหนักใจกับเราให้ผู้อื่นต่างคนกัต่างเกื้อกุลหนุนกันประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองมีความร่มเย็นเป็นทุกได้จากนั้นก็พ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราที่ให้กําเนิดเรามาแล้วเราควรจะแสดงอย่างไงควรจะ ดูแลบิดามันดาของตนอย่างไรเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราเนะี่ยพวกเราจะควรจะร่วมกันยังไงไม่ใช่ว่ามีลูกห้าหกเจ็ดคนเอาน้องชายคนเล็กนั่นแหละเป็นคนดูเลยพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็เลยงมอบให้แต่น้องน้องชายคนเดียวเราไม่ได้เป็นลูกของพ่อของแม่เหรอกมีแต่น้องชายคนเล็กเท่านั้นเถิด เ, เป็นลูกของพ่อของแม่ไม่ใช่นะไม่ถูกคือเราทุกคนที่ออกมาจากพ่อแม่แล้ว เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าพ่อแม่แก่เท่าชะลาพวกเราก็ต้องหันหน้าขอหากันจะต้องตั้งเงินเดือนให้พ่อแม่ เ, เราจะให้ดูคนมาดูกี่คนทําความสะอาดกี่คนให้อโหงอาหารยังไงให้ยุกให้ยาอย่างไ ร, ใ, ายายยงไรใครจะเป็นผู้ดูแลสุขภาพของพ่อแม่เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาอันนี้แหละคือบุคภาคการี พวกเราควรจะแสดงความกระตันยูกระตวีที่ตาอย่างนี้และสําหรับพ่อแม่ผูบ า, จายจ่ายของพวกเราก็เหมือนกันอย่างพวกเราทำอยงทุกวันนี้แสดงความกระตันยูต่อองค์ลงตาของพวกเรานี่ยละเป็นท่านเป็นบุพภากอรีธรรมะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนให้พวกเรารู้จักดีรู้จักชั่วบาปปุลคุณโทษจนถึงหลังทางหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละอาตมาภาพวา พวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาในบุพการีบุคคลผู้มีอุปรกรกรทั้งสี่ท่านเหล่านั้นนะแต่เมื่อวานหลงพ่อได้พูดค้างค้างเอาไว้จุดหนึ่งพวกคณะสัตยาธานทีมได้ฟังคงจะจำได้ว่าการทะเลาะวิวาทกันการผูกพยาบาดอาฆาตกันไม่มีที่สิ้นจุดเหมือนกากัะนกเขา เหมือนกับงูเห่ากับพังพรนะที่หลวงพ่อได้พูดกันแต่พวกเราคงจะอยากจะทราบว่าเอกากับนกเขานะเป็นมาอย่างไรหลวงพอ่อทำไมจริงว่าเขาผูกพยาบาทอาฆาตกันนะอันนี้หลวงพ่อจะตอต่อจากเมื่อวานให้ฟังอีกแขนงหนึน่งนะคือในครั้งพุทธกาลในหลักของพุทธศาสนานี่นะให้พวกเราศึกษาดูนะ พระพุทธศาสนาเนี่ยยึดประวัติประวัติศาสตร์นะยึดประวัติศาสตร์แต่เมืองไทยของเรานี่น่าเสียดายอไม่สอนประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้แก่ลูกหลานได้ฟังหลวงพ่อว่าเนี่ยขาดตามให้จถิงพุทธศาสนาหรือศาสนาใดก็ตามเขาต้องอ้างประวัติศาสตร์ของเขาว่าความเป็นมาอย่างไรอย่างพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรพระสาวกเป็นมาอย่างไรสาวิกาเป็นมาอย่างไรในยุคแต่ละยุคเป็นมาอย่างไร ยกพระพุทธเจ้าพระนิพพานมาแล้วสามรอปีพญาอโศกอโศกมหาราชขอกองและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดียจเจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ล้วนแล้วแตเป็นประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอท่านประทับอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารแต่ละวันพอกลางคืนมา นกเขาก็กินหัวกินกานะีหัวหลดหัวขาดที่ศาลาศาลาศาลาที่พระสงฆ์ชันจังหารอย่างเนี้ยเนี่ยเพราะกามันไม่มีที่หลบมันก็เข้ามาหลบอยู่ที่ศาลานกเค้าก็ะบินเขามามาเห็นกาก็มาตีตีกาเสร็จแล้วจับกาได้คือกินกินกากาก็ตายพอตอนเช้ามาจะนกเขาก็ไปซกอยู่ในตามต้นไม้ที่คึมคึมเหมิดเหมิดเหนกันเะพอกาไปเห็นก็ไล่ตีนกเขา อกินกินนกเขานกเขาก็ตายหัวหลุดหัวขาดอีกเหมือนกันเท็ดีพระสงฆ์เห็นตอนเช้ามานก็ปัดกวาดหัวกาที่มันหลุดที่ศาลาแต่ละวี่แต่ละวันก็ไม่เคยจะขาดกันก็เลยพระสงฆ์อะไรสนทนากันในในศาลาจะจับกลุ่มกันสนทนาเอ๊ะทำไมนกโตอื่นๆมันก็ไม่เห็นตีกันแต่กล้ากับนกเขาเนี่ทําไม มันถึงผูกอาฆาตพยาบาทจองเวีนกันอย่างนีนาพระสงฆ์ก็เลยสนทนากันเพราะพระเจ้าท่านอยู่ที่พักคันโกดีอย่างองค์ลงตาอยู่ในที่กุติอย่านั้ท่านได้ยินด้วยหูทิพย์หูทิพย์ของท่านท่านก็เดินลงมาพอเดินลงมามาถึงศาลาจังหวะพระสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอสนทนากันเรื่องอะไรพอท่านท่านถามหาเรื่อง้นนั้นพระสงฆ์ก็กราบทูลว่า สนทนาเรื่องนกเขากับกาพระเจ้าขา่ามันทําไมไมันกัดมันตีกันจนกลางวันก็กากกินนกเขาพอตกกลางคืนนกเขาก็กินกาเนี่ยหัวหลุดหัวขาดเนี่ยกินแต่ตัวมันหัวมันก็ไม่กินฮะพระพระโตมวันเนี่ยนกสองตัวนี้ผูกพยาบาทอาฆาตกันมาตั้งแต่สร้างโลกแล้วนสมัยไหนพระเจ้าขา่าสมัยสร้างโลกใหม่คือสมัยเมื่อสร้างโลกใหม่ พวกมนุษย์นี่ก็อยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันพอขึ้นมาเออพวกเราก็ควรจะแต่งตั้งผู้ปกครองของเราถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีผู้น้อยไม่มีผู้ใหญ่นี่ยไปรู้ใครผิดใครถูกถ้ามันมีความผิดความถูกขึ้นมาไม่รู้ใครจะเป็นผู้วิิจัยความผิดความถูกนั้นพวกเราก็ควรจะแต่งตั้งกันขึ้นมาสักยกขึ้นมาสักคนหนึ่งให้เป็นพระราชาดีไหมทั้งคนนะเออดีอะ่ะก็เลยต้องตั้งขึ้นมาเป็น ตั้งให้เป็นพระราชางั้นแหะเป็นพ่อเป็นเป็นผู้ปกครองหมู่พวกเพื่อนแต่นี้ก็มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็นต้องไปหาพระราชาพระราชาก็ตั้งทีมคณะขึ้นมาวินิจฉัยว่าอันนี้ผิดนะอันนี้ถูกนะอันนี้ไม่ควรนะอันนี้ควรนะอันนี้คือพระราชาแต่ทีนี้พวกสัตว์สีเท้ า, างั้นสัตว์สีเท้าอยู่ในป่าเนี่เออพวกเราอยู่กันนี่ยไม่มีตัวไหนที่ว่ามีอํานาจเหนือกว่ากันเราควรจะตั้งให้เป็นพญาเนี่ยมนุษย์เขาก็มีแล้วน่ย เราควรจะตั้งใครเป็นพญาต์ก็เลยเห็นว่เออราชสีเป็นผู้พร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างควรจะให้ราชสีเป็นพยาของสัพพสัตว์ทั้งหลายสีเท้าที น, นี้ก็เอายกให้ราชสีเป็นเป็นพยาไอพวกปลาอยู่ในน้ำทีนี่จะให้ใครเป็นพยาเพราะมนุษย์กับสัตว์สีเท้าเขาก็มีแล้วเขาก็เลยตั้งปลาอาโนนที่อยู่ในมหาสมุทรที่ปลาใหญ่อย่างนั้นเน่ยเป็นพยาปลาอยู่ในมหาสมุทร ก็ยกให้ปาลาอานนเป็นพญาปลานะตอนนี้พวกนกทั้งหลายที่นี่นกทั้งหลายเนี่ยเอ๊ะเราจะตั้งใครเป็นพญาเพราะทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์สี่เท้าทั้งปลาในทะเลเขาก็มีต้องมีพญาแล้วนะแต่พวกเราจะเอาใครสัตว์ปลีกสัตว์ปีกของเราเนี่ยเราจะเอาใครเป็นพญานะก็เลยเอานักกันไปไปชุมที่ป่าหิมพาลงันนะ เพราะว่าปลาหิมพาน์จุดนั้นน่ะเป็นลานหินกว้างใหญ่แล้วก็ขอประกาศว่าให้สรพสัตทั้งหลายที่นักนกทั้งหลายให้ไปรวมกันอยู่ที่นั่นเพราะเราจะได้แต่งตั้งเออเป็นผู้ปกครองไอเป็นผู้ดูแลหมู่คณะแต่เนี้นพอประกาศเสร็จแล้วในวันเวลาแล้วก็นกทั้งหลายก็ไปไอนกฮูกนกเขาเนี่ก็ไปกับสมมติโตเที่ยงตรงงนันเถอะเออไปก่อนไปยืนยูน่ อยู่ในลานหินนั่นแนหะพอนกทางหลายก็ไปพอลงล ง, ลงเสร็จแล้วก็อา้าวใครจะเป็นใหญ่ใครจะเป็นผู้ปกครองหมู่คณะเอาเลือกดูสิอนกเขาก็ยืนตัวตรงเหมือนกันหน้าเกงขาเหมือนกันนกฮูกใหญ่ก็มีนะ ไ, ไม่ใช่แต่มีแต่นกฮูกเล็กว่านกฮูกใหญ่มันมียืนหน้าสงา่ำแต่นีนหมู่ทางหลายเออเอ า, เอาสมควรจะให้นกฮูกนี่แหละนกเขานี่แหละเป็นพญา ก็ดูๆแล้วก็น่าเกลรงขามดีนะเ อ, อถ้าว่าเป็นพญาขึ้นมาเนี่ยก็ทุกคนเข้ามาเรื่องคดีความใครผิดใครถูก อ, อนกเขานกขูกเนี่ของคงจะวินิจฉัยออกมาตรงตัวได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเขาเป็นคนนกนกเป็นนกที่น่ากลัวนกทั้งหลายน่ากลัวนกเขาเนไอ้กาที่อยู่ใกล้ๆนี่ว่าข้าพเจ้าข อ, อแสดงความคิดเห็นได้ไหมเห่อยอ่า นกทางหลยก็ว่าได้เอาแสดงความคิดเห็นพอประมาณนะครับกาก็บอกว่าเนี่นกเขาเนี่ยะยืนซึ่มก็อยู่อย่างเนี้ยไม่มีมนุษย์สัมพันธ์เลยไม่มีสัตว์สัมพันธ์เลยถ้าใครผิดใครถูกก็ไม่รู้ยืนทำชื่มก็อยู่ทั้งวันอยน่างนี้ไม่ได้สอดส่องดูแล ว, ว่าหมะะสูสัลสุกสุกดิบเป็นยังไงเองเจลจาพาธีเป็นยังไง เออแล้วการเป็นอยู่ของสรพสัตต์หมู่กลุ่มหมู่เป็นยังไงนกเขาเนอะไม่มีเห็นไหมแต่ไหนแต่ไรมากมิแต่ยืนซึสงบอยู่อย่างนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่จะให้นกเขาเป็นพญากากระลยบินขึ้นฟ้ากักกักไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่หมู่ทั้งหลายจะตั้งนกเขาเป็นพญาอย่างนั้นก็ลงมาพอลงมาแล้วก็จะให้ใครเป็นไว้พญาเห็นเห็นแล้วก็กานี่ก็รู้สึกว่า เขาแสดงความคิดเห็นดีนะเออเขามีแววแห่งปัญญาดีการพูดพาจาพาทีก็เข้าท่าเออสมควรจะให้กาเป็นพระญา เ, เห็นด้วยไหมนกทั้งหลายก็โบดเสียงกันว่างั้นแต่แต่นกเขามันมันมีโมโหอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมเออมันโมโหอยู่ในใจนกเขาบอกว่าข้าพระเจ้าขอแสดงความคิดเห็นได้ไหมได้เอาเลย นกเขาก็บอกว่ากานี่ น, นะถึงจะพูดเก่งก็เถอะพูดเมื่อกี้เอง น, น่าฟังแต่ว่าอากับกิริยาของกาเนี่ไม่น่านับถื อ, พอเพราะเฮลีกาเนี่น่าไหวาลังหลอต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งและก็ชอบขโมยกินไข่กินลูกนกกินลูกของคนอื่นอีกต่างหากถ้าหาว่ากาได้เป็นพยายพวกเราจะหาสัตว์ที่ไหนไปเลี้ยงมันล่ะ ไข่มันจะกินกินมะละกีฟองล่ะลูกของลูกเล็กเด็กแดงของเรามันจะกินยังไงก็ไม่รู้เพราะนั้นกาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ซื่อตรงเป็นสัตว์ที่อตลบตะแรงอเป็นสิทสัตว์ที่เหมือนกับใจของกากับตัวของกามันดำเหมือนเหมือนกันนั่นแหละใจก็ดำด้วยขนก็ดำด้วยใจก็ดำด้วย เพราะนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่จะให้กาเป็นพยานกเขาก็บินขึ้นท้งฟ้าก็บอกเ ก, กี้ยวเก้วเก้วเกยวไม่เห็นด้วยที่จะให้กาเป็นพยานจากนั้นก็ลงมาแท้เลยลงมาเออใช่นกเขาก็แสดงอยจุดเดีย น, นี่น่าฟังแล้วขาเราจะให้ใครเป็นพญานก็เลยเห็นนกพญาหงนะพญาหงหงทองเหล่านั้นเยินเป็นกลุ่ม ก็เลยเออจําสมควรจะให้นกหงเป็นพญาเพราะเหตุไรเพราะว่านกหงเนี่ยไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นและ ก, กินเมล็ดหญ้าและ ก, กินปลาน้อยเป็นปลาเล็กปลาน้อยอยู่ในในสระในหนองใหญ่โดยมากจะกินพวกเมล็ดหญ้าฉะมากกว่าเพราะฉะนั้นสมควรจะให้พญาหงเป็นพญาเอาเป็นที่ยอมรับกันนะก็ไม่มีตัวไหนคัดค้านเหมือนกันเถอะจากนั้นก็เลยพญาหงเลยเป็นพญาของสับของสัว์ เป็นสัตว์ปีกทั้งหลายพวกนกทั้งหลายคือพญาของเป็นพญาเนี่นี่แหละจากนั้นต่อมาทีนี้กากับนกเขาเนี่ยเมืองนี่แหละไม่ให้กูเป็นพญานะเนี่ยพอกาเห็นนกเขาเอีก็กินกินนกเขาไปกลางคืนเหมือนกันเอากินกลางวันเหมือนกันเอีพรานกเขามันตามองไม่เห็นได้กลางวันพอกลางคืนนกเขาตาสว่างทีนี้กามันมันบิด ตาสว่างกลางกลางคืนกาบินไม่ไปได้ที่บินไปกรชนชนต้นไม้ชนอะไรไปทั่วเลยนกเขาก็ไล่จับกากินเหมือนกันก็เลยสัพพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละมันจองเวรกันมาตั้งแต่สร้างโลกเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามไปเกิดเป็นกาก็ต้องจองเวรไปด้วยกันถ้าใครไปเกิดนกเขาก็จองเวรไปด้วยกันมันจองเวรกันมาแต่ปู่แต่ทวของมันเพราะนั้นการจองเวรกันไม่เป็นผลดี เวรจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่คิดจองเวรเวรจะระ ง, งับไม่ได้หากไม่มีการจองเวรกันอยู่เวรจะระ ง, งับไม่ได้นั่นแหะพระพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แก่พวกสารุสิทธิ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้ให้คิดดูให้ดีกันแล้วกันนะพวกเราจะไปคิดจองเวรพวกเราท่านทั้งหลายได้มาอยู่ตรงหน้าขององค์หลวงตาเป็นพระอริยะสงสาวกเป็นอริยะสงสาวกของพระพุทธเจา้า พูดง่ายๆก็ท่านก็ยืนยันของท่านเองนะว่าท่านจะไม่มาเกิดอีกแล้วในโลกเพราะฉะนั้นพวกเราในคณะฐานะสิทธิ์เป็นผู้โชคดีอย่างมากที่ได้มาเกิดพบองค์หลวงตาได้ฟังธรรมเทศนาองคหลวงตาและก็ได้ฟังแนวการกระทําขององค์หลวงตาโครงการช่วยชาติเท่าไหร่โรงพยาบาลเท่าไหร่อย่างที่อาตมาภาพไปอ่านเมื่อกี้นี่และอันอื่นๆ อ, อีกมากมายที่องคหลวงตา เป็นผู้นำให้แก่สิทยิอนุสิทธิทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอ่านี่แหละอันนี้แหละคือพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างยิ่งในเมื่อพวกเราโชคดีอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราจะมาะแสดงความไม่พออกพอใจหรือว่าแสดงความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนต่อพระต่อหน้าพระริยสงสาวก หลวงพ่อว่าไม่เป็นผลดีสําหรับศิษยาณุศิษฐ์ทั้งหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้เน้นว่าผมคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่ตามจริงอาจจะมีนะพวกพวกเราเป็นปุถุชนปุถุชนก็คือผู้ยังมืดบอดอยู่บางครั้งอาจจะมีโมโหโกธาบ้างแต่ถึงยังไงก็หลวงพ่อเองว่าอยากจะให้ทุกท่าน<ด>อยากได้มีในจิตในใจให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าว่าผู้ใดทําผิดก็รู้แก่ใจว่านี่คือมันผิดนะจะไม่ควรจะทํา ถ้าคนไหนทาถูกเออแล้วก็ควรจะทําสิ่งนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปถึงจะทําถูกก็เถอะแต่มันกระทบกระเทือนคนอื่นเขาเราก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาสิ่งที่มันไม่ถูกแล้วอย่าทำนะถ้าทํามันลงไปแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นเขาเราอย่าทำนะถ้าทําไปแล้วมันเดือดร้อนถ้าเขามาทําให้เกลเราละ่ะเราจะเดือดร้อนไหมที่เราจะไปทําอย่างนั้น ก็เอาใจอย่างที่ว่าใจเขาใจเราเพราะนั้นถ้าว่าเราคิดได้อย่างนี้นะแล้วก็พร้อมกันก็สั่งสมบุญคุศลนะอย่าประมาทไม่ถึงร0อปีนะทุกเรากี่ปีแล้วหลวงพ่อเนี่ยจะเข้า67ปีเลยนะหกปีอีกเมษาหนึ่สิบหปีเต็มนะจากจากนั้นก็67สิบเจะจะอยู่นานจากเท่าไหร่หลวงพ่อคิดว่าคงจะไม่เท่าหลวงตาแล้วงั้นเ่ะหลวงพ่อว่านะ หลวงพ่อมองตัวเองอยู่นะ เ, เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีพวกเราจะควรจะทำสิ่งนั้นให้มากอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพวกเรามาเกิดในเมืองมนุษย์มาเกิดอยู่นี่มาสั่งสมบุญกุศลนะโลกนี้โลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกหาสวรรค์หานิพพานหาคุกหาตารางใส่ตนเองก็ได้หาความทุกข์ความจนไใใต่ตนเองก็ได้หา บัณฑิตนักปราใชตนเองก็ได้พระพ่อนั้นคําพูดคำนี้คือคําพูดของคุณแม่ชีแก้วท่านบอกว่าโลกนี้โลกหาได้เนอเพราะนั้นพวกเราให้หาแต่คุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอีกสักวันหนึ่งนะยง ม, มาโทษเขาเขียนวีซ่าให้พวกเราแล้วพวกเรามาเกิดนะเขาเขียนวีซ่าไว้ให้เราเราแล้วอีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องเดินทางต่างประเทศเมื่อวีซ่ามาถึงนะ มีสร้างมาถึงพวกเราจะได้เดินทางต่างประเทศเไม่มีใครที่จะอยู่ในในโลกมนุษย์นานเท่านานอย่างที่ตัวเองต้องการนะต้อง ไ, ไปต่างประเทศแน่นอนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปต่างประเทศนั้นพวกเราได้เตรียมสเสบียงเดินทางไว้เลยอย่างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราเพียงพอหรื อ, อยังถ้ายังไม่เพียงพอนะให้เตรียมไว้นะไปพบผ้าหน้าชาตินานะอดอยากนะไม่มีอันจะกินนะ ถ้าเราไม่ได้เตรียมเสบียงเดินทางไปด้วยถ้าพวกเราเตรียมเสบียงเดินทางแล้วนั่นแหละพวกเราไปณสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขชีวิตของพวกเรานี่น้อยนักเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชครับชีวิตของพวกเราน้อยนักอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะทำอย่างนั้นควรคิดในสิ่งที่ดีควรทําในสิ่งที่ดีควรพูดในสิ่งที่ดีถ้าคิด ทำพูดในสิ่งที่ดีแล้วความสงบร้มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในใจของพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้หลวงพ่อขอย้ํากล่าวเตือนพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความในความประมาทนะแล้วก็หลวงพ่อได้พูดมาหลายครั้งว่าด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราได้สั่งสมมาในอดีตชาติจนจนถึงปัจจุบันชาตินี้มากน้อยก็ขอให้เป็นพลังห น, นุน เพื่อคุนหนุนให้สุขภาพองค์หลวงตาของเราหายจากโรคาพยาธิโดยเร็วพรันด้วยเทิน